ขณะนี้ตะก่อนพระของเราทั้งหมดกี่ยี่สิบพระองค์ก็มีพระที่บวชในโครงการของหลวงตาพระบวชในโครงการหลวงตาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาวันพระราชทานเพลิงองค์หลวงตาชรีละองค์หลวงตาบวชทั้งหมด250ห้าสกว่ารูปก็แจกไปตามวัดต่างๆ แต่มาวัดของเราเนี่ยหลวงพ่อก็ยังไม่ได้เช็คดูว่ามากี่องค์แต่การบวชของพระในคราวนี้ก็ใบสมัครก็ให้บวชให้ได้พรรษาบวชให้ในให้ได้พรรษาปีสอง4ห้าห้าสิบสี่ถ้าว่าบวชเพียงสิบห้าวันและเดือนหนึ่งคนจะบวชมากก็เลยตั้งกฎกติกากันอย่างน้อย ต้องให้ได้พันษาเพื่อการศึกษาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาอันนี้ก็ได้บวช250กว่ารูปก็พระมากอยู่จากนั้นก็ได้สมัครใจไปบ้างจะไปวัดไหนจากนั้นก็ถ้าไม่รู้ทางจะไปพระพี่เลี้ยงก็แจกแบ่งไปตามวัดที่เหมาะสม ตามสายของครูบาอาจารย์ที่เป็นสายหลวงตามหาบัวแจกไปตามวัดต่างๆเพื่อการศึกษาเป็นทายาทเพราะว่าหลวงตาจุตินิพพานไปแล้วพวกเราควรควรจะปลูกปลูกโพปลูกใสขึ้นมาทดแทนอีกเพื่อบูชาพระคุณหลวงตา หลวงปู่ลีของพวกเราปู่ลีผาแดงท่านก็บวชในงานของหลวงปู่มั่นสอง3สทุกวันให้ท่านก็นยังเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาของพวกเราเป็นพระผู้ใหญ่เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาในคราวนี้ก็เหมือนกันเราก็คิดว่า น่าจะ ก, การมีการสืบทอดก็เลยได้ลงจัดงานบวชขึ้นมาบวชตั้งแต่จะพระราชทานเพลิงศรีระของหลวงตาวันที่ห้าเราก็บวชตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งสองสามเป็นการเสร็จสิ้นจากนั้นก็ได้พระราชทานเพลิงศรีระขององค์หลวงตาวันที่ห้ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบี่ แล้วก็ขอแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนของก็คงจะไม่ได้ยินจากหลวงพ่อก็คงจะเสียงมงลงงับคือทุนกระหม่อมหญิงจุราพรที่ท่านได้มางานพระราชทานเพลิงองค์หลวงตาทุกเสาอาทิตย์แล้วก็มีท่านก็ขึ้นไปสวดมนต์ไหว้พระ ทอดผ้าบางสกุลองหลวงตาทุกเสาอาทิตย์บางทีถึงสามวันก็มีท่านพักค้างที่อุดรโดยมากก็สองวันทรงบาทที่หน้าวัดอย่างพวกเราเห็นท่านก็ได้เห็นครูบาอาจารย์แสดงธรรมเทศแต่หลวงพ่อก็นในองค์หนึ่งที่ได้แสดงธรรมที่วัดป่าบ้านตาจากนั้นท่านก็กคงจะ คงจะดูว่าลูกศิษย์องค์หลวงตามีองค์ไหนบ้างท่านก็เสร็จแล้วท่านก็บอกกับท่านผู้ว่าราชการท่านรับสั่งจะลงมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รองผู้การทหารภาคสองเวทภาคสองว่าท่านจะเสด็จที่วัดนาคำน้อยของเราแต่ก็ยังในเร็ววันนี้ละอันนั้นคือครั้งแรก จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วท่านไม่ทับรองไม่ทับภาคกันมาพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เออรับทาบไม่เป็นไรโอ้เป็นพระคูณย่างยิ่งแต่พองานเสร็จทุนกระหม่อมฟ้าหญิงขึ้นไปทติขิตหลวงตาในวันมอบอธิธาตขององค์หลวงตาไอ้ฟ้าหญิงคณะสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ได้มอบถวาย ให้ฟ้าหญิงท้าฟ้าหญิงนั้นก็ได้ตรัสกับหลวงพ่อว่าท่านจะมาเยี่ยมวัดของเราวันที่สิบเก้ามีนานี่แหละอันนี้คือท่านพูดตตัดเป็นทางการยจ น, นยจากนั้นท่านผู้วาราชการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องพอหลวงพ่อกลับมาวันที่หกวันที่เจ็ดก็มีผู้เข้ามาดู พื้นที่หลวงพ่อก็ได้มอบกุฏิของคุณแม่ปอท่าว่าเผื่อท่านเสด็จมาแลวก็เพื่อท่านได้เข้าห้องสงก่อนที่จะเข้าสนทนาก็ได้นี่นะพวกคณะกรรมการพวกฝ่ายจังหวัดแต่มาตกแต่งยังทำงานกันอยู่คุนคงจะเสด็จมาวันที่สิบเก้า ท่านเสด็จมาถึงอุดรก็คงจะประมาณสักสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนหละแต่มาถึงวัดเราก็ประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงท่านจะเสด็จมาถึงวัดของเราเพราะ น, นั้นขอให้พี่น้องประชาชนลูกหลานที่เป็นศิษยานุศิษย์ของวัดหลวงพ่อจะมารับเสด็จแต่ท่านเสด็จมาเป็นส่วนออส่วนตัวนะไม่ใช่เสด็จมาเป็นทางการ พวกเรามากับมาแบบสงบเงียบมานั่งคอยรับเสด็จเดินท่านเดินผ่านมากับเราก็ส่งพระเจริญผมพรม้อมกันเสียงดังฟังชัดไม่ใช่ชงพระเจริญมูม่มูมม่บ ม, มับไม่ได้นะทนะายอำ <c oughs> เภอเราต้องพระชงพระเจริญพร้อมๆมกันเป่งเสียงพร้อมกัน ทรงพระเจริญทรงพระเจริญฮะญอยู่ที่บ้านตากนะซึ่ทรงพระเจริญคนละมุกคนละบาแต่ก็เสียงดังนะมันคนมากหลวงพ่อเป็นคนบอกเออเอาทรงพระเจริญพร้อมกันนะครับนัท้ายญาติโยมลูกหลานเนอนี่แหละอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้แก่ลูกหลานทุกคนเอ๊ะทาไมหลวงพ่ออินไม่พูดอะไรอย่เจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินเสด็จในวัด หลวงพ่ออินไม่พูดเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ถามทานายอเภอเาเออพูดได้ไหมเพรเรื่องเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินเนี่ยเราจะไปพูดสุมสี่สุมห้าไม่ได้ท่านเสด็จมาแล้วโอเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพี่น้องประชาชนจะหาได้ที่ไหนที่ท่านจะเสด็จไปที่ไหนได้ง่ายๆท่านไม่ใช่เสด็จไปง่ายๆนะท่านมาเยี่ยมเยียนวัดของเราก็เป็นบุญ เป็นบุญเป็นคุณของพี่น้องชาวอำเภอนายูงที่ท่านเดินทางเดินทางผ่านมาที่ไหนที่นั่นก็เป็นสิริเป็นมงคลด้วยกันทั้งนั้นแหละเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินเสด็จนะอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวระหว่าการบอกกล่าวให้แก่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะแล้วก็วันนี้เป็นวันพระ ขึ้นแปดค่ำเดือนสี่ตรงกับวันที่11 12อสบสองตรงกับวันที่ส2บสองมีนาคมพุทธศักราช25งพห้วันพรุ่งนี้เป็นวันบวชพระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเป็นวันที่สิบสาวันนี้เป็นวันเสาร์วันพรุ่งนี้เป็นวันพร ะ, ะขอให้พระ ช่วยช่วยกันดูที่รับพี่น้องของนาคด้วยนะอาจจะมาอาจจะมาพักค้างทางในครัวก็เหมือนกันให้ช่วยชวยกันดูการอาจจะมีการพักค้างที่ไหนไหนดูดูให้เรียบร้อยทางในครัวพักหลังไหนหลังไหนบ้างให้ช่วยช่วยกันดูนะ <c oughs> พี่น้องมาเยี่ยมแต่ฉุกโลกเพราะเพิ่งเราก็เพิ่ง <c oughs> เหนื่อยมาจากวัดหลวงตา พวกเราก็เหนื่อยมาจากวัดหลวงตาไปทํำออกโครงทานที่วัดหลวงตาตั้งแต่วัน เ, ออเกือบเดือนมัออ้งกว่าจะเสร็จได้ก็เพิ่งกลับมาแต่ทีนี้ก็ช่วยกันพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมคงจะมาพักวัดของเราหลายคนมั้งทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนการกุฏิที่พักอุบาสก ฝ่ายผู้ชายได้เตรียมพร้อม <c oughs> หลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปวัดป่าบ้านตาดตั้งแต่วันเช้าวันที่สิบออกจากวัดประมาณตีสีก่กว่าๆในจุดประสงค์ก็คือได้ตกลงกับคณะสงฆ์พระหมู่พกเพื่อนว่าวันที่สิบเอ็ดจะมีการแจก อธิธาต์อังคารธาตขององค์หลวงตาไปสู่วัดต่างๆแล้วก็พระเถระที่เป็นเจ้า อ, อาวาสวัดต่างๆเพื่อนำไปปฏิสถานในวัดและคือเพื่อสร้างพระเจดีบรรจุแล้วก็จะได้กราบไหว้ในเป็นสิริมงคลต่อวัด น, นั้นๆก็นเมื่อวานหลวงพ่อก็เลยออกไปตั้งแต่ ถ้าคำว่าไปวันวันที่ห้าก็คงจะเตรียมไม่ทันหลวงพ่อคิดว่าไปวันที่ห้าเตรียมไม่ทันหลวงพ่อให้วันที่วันที่สบอหลวงพ่อเตรียมไม่ทันหลวงพ่อเลยไปวันที่กะวันที่สิบวันที่ส1บอ็แจกวันที่สิบเข้าไปหลวงพ่อไปตั้งแต่ตีตีสี่กว่าพอไปถึงก็ไปบินทบาทฉันเช้าที่วัดป่าบ้านตาด พอฉันเช้าเสร็จแล้วหลวงพอ่อก็ประกาศใส่ไม่นะให้พระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องที่เคยอยู่วัดป่าบ้านตาดหรือครูบาอาจารย์ให้มาไปร่วมประชุมกันที่กุฏิหลวงตาก่อนนะวันนี้มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพร้อมเพียงสามขีกันปรึกษาปรารบกันจากนั้นก็ฉันจังหันเฉลดก็มีพระสงฆ์ไปเต็มกุฏิหลวงตาทั้งพระผู้ใหญ่ผู้น้อย จากนั้นหลวงพวก่กรได้ปลบเรล่องจะแบ่งอธิธาตอย่างไรก็เป็นที่ตกลงกันจากนั้นก็เข้าไปเพราะว่าหีบลางเหล็กลางเหล็กอยู่ในห้องของโรวงตาก็มีกุญแจแปดแปดดอกใส่กุญแจไว้แปดดอกแต่ดอกหนึ่งไปอยู่กับหลวงพ่อ หลวงพ่อเป็นผู้ถือกุญแจดอกหนึ่งในแปดดอกนั้น <c oughs> ก็มีถือพ่อมาพร้อมหน้ากันเลยก็เปิดนะพอเปิดก็แล้วก็ดูแล้วอืมจากนั้นก็ให้พระที่เกี่ยวข้องที่เป็นกรรมการก็ปิดประตูที่องค์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับออกไปข้างนอกจากนั้นก็ได้ปิดก็ได เลือกอธิษฐานของลงตาแต่ดูดูแล้วลงพ่อเห็นแล้วลงตาเป็นผู้มีเมตตาแต่กระดูกอธิษฐานขององค์อื่นๆโดยมากจะเป็นแท่งใหญ่แต่ลงของลงตาเนี่ยแตกเป็นส่วนมากแตกเป็นเม็ดงาเลยพอนะั่นแตกดูดูแล้วขนาดใสมงลวดทักไพรขึ้นมาร่อน แต่ก็ยังหลุดออกจากต า, ตาข่ยอกลงไปในในในเท่าอีกเนีย่ยก็เลือกได้เป็นบางส่วนรู้สึกอธิษฐานของลวงตาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอายุท่านมากส่วนหนึ่งแล้วอาจจะท่านตั้งจิตอธิษฐานให้อธิษฐานของท่านแตกแต่เป็นเม็ดเล็กเม็ดน้อยเพื่อจะให้แจกแบ่งให้ทั่วถึงเพราะท่านผู้เป็นผู้มีเมตตาต่อ ลูกต่อหลานอยู่แล้วเนี่ยน้ำจิตน้ําใจของท่านอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่จะเปรียบเทียบกับพระพระพากระหรือว่าพระพระอานนที่พี่น้องสองฝากฟังแม่น้ําจะลบลาค่าสิบ ก, กันตอนที่จะแย่งศรีระของพระอานนท์พระอานนท์พอถึงวันปรินิพานท่านก็ เพ่งเตโชกสินวายโยกสินหเหาะขึ้นบนอากาศจากท่านอธิทาตของาขานก็ตกเป็นสองฝากฝั่งเลยอธิธาตของท่านตกไปทางฝากนู้นทางฝากนี้ไม่ต้องแย่งกันแปลว่าแบ่งเพราะพร ะ, พระท่านแบ่งให้เลยอันนี้องค์ลงตาของเราหนึ่งพี่น้องประชาชนลูกหลานก็คงใครๆก็อยากจะได้ทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่า หลวงตาอาจจะตั้งจิตอธิษฐานนะให้อธิธาตของท่านแตกเป็นเม็ดเล็กเม็ดน้อยก็ได้โอ้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันนะหลวงพว่อองค์หนึ่งเคยเก็บ <c oughs> อธิธาตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์แต่องค์หลวงตาเนี่ยรู้สึกว่าอธิธาตของท่านแตกเป็นเม็ดเล็กเม็ดน้อยเพราะนั้นใครก็ตามได้อังคารธาตจะเป็นฝุ่นก็ดี ไปว่าอยู่ในนั้นทั้งหมดอธิธาตของหลวงตาอันนี้ก็คือจากนั้นหลวงพ่อก็ได้แบ่งแจกแบ่งไปตามวัดต่างๆที่เป็นสิทธิ์ญาติสิทธิ์ขององค์หลวงตาพระเถระผู้ใหญ่แต่อย่างว่าเป็นร้อยๆจะแจกแบ่งได้ยังไงก็ได้คนละเม็ดเข่าโผดใหญ่กว่าก็มีบางคนก็ได้พระเถระผู้ใหญ่ก็ได้มากน้อย แต่หลวงพ่อได้แบ่ง <c oughs> แบ่งแยกกับคณะสงฆ์ห <c oughs> ลวงพ่อใส่ถาดถาดหนึ่งเอออันนี้นะถาดนี้นะาจานนี้นะเอาเข้าไว้ในตู้เซฟต่อไปในอนาคตถ้าว่ามีการสร้างพระเจดีย์ที่วัดป่าบันตาดหรือสร้างพระเจดีย์ที่สวนแสงธรรม หรือสร้างพระเจดีตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ของประเทศภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางของประเทศก็ให้นํำอติษฐานจํานวนนี้ไปปฏิสฐานพระเจดีเพื่อกราบไหว้สักการบูชาแต่อีกส่วนหนึ่งให้มอบพระเจ้าอวาชคณะสงฆ์วัดป่าบ้าตาดถ้าว่าเผื่อว่า ระดับไหนในประเทศหรือต่างประเทศที่เป็นผู้ใหญ่สมควรจะแจกอย่างไรก็มอบให้ท่านพันพัชชัญสุดใจและคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดพิจารณาอันนี้เป็นทางออกทางว่าไม่มีเฉลยก็ไม่รู้จะออกทางไหนอันนี้เป็นทางออกของพวกท่านทางหลายอันนี้หลวงพ่อมอบให้หลวงพ่อไม่มีส่วนที่จะไปก้าวไาย หลวงพ่อมอบใหเพื่อเป็นทางออกปหลวงพ่อเคยมาแล้วแขกผู้ใหญ่ที่รักเคารพในองค์หลวงตาถ้าไม่ได้อะไรเลยก็เหมือนกับเราไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความสําคัญในแขกผู้ใหญ่ขององค์หลวงตาก็ไม่ถูกเหมือนกันนะอันนี้หลวงพ่อก็ได้แบ่งไว้ส่วนหนึ่งจากนั้นก็เอาออกอันที่สามก็แบ่งพระเถระผู้ใหญ่ระดับไหนลงมาที่เป็นจิตญาณุสิทธ น้อนก็นแบ่งพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าทีนีตามลำดับขั้นตอนหลวงพ่อพยายามทำให้เป็นธรรมที่สุดในเข้าไปจัดการแล้วก็มีกลองโทรทัศน์ z ู o ไว้ทั้งสี่ทิศสี่ด้านเหมือนกันแล้วก็เปิดโทรทัศน์ออกมาข้างนอกให้คนได้เห็นอีกวงจรปิดแต่หลวงพ่อไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาเปิดออกมาข้างนอกแต่หลวงพ่อก็พูดอยู่ว่าว่าเกยียวข้างใน ออกมาทางนอกจะมาเห็นรูปตัวเองเห็นร <c oughs> ูปพระโอตายตาย <c oughs> ไม่รู้ว่าหลวงพ่อพูดอะไรบ้างอยู่ในนั้นเหมือ น, นัน <c oughs> แต่หลวงพ่อก็ได้ <c oughs> เอาเมจิขเขียนเขียนตู้เซฟไว้ข้างในในห้องกุฏิลุงตาหลวงพ่อวันนี้นะอันนี้ก็คือบรรจุไว้บรรจุพระเจดีย์ถ้าว่าผูดายจะเปิดต้องเปิดแบบมีเป็นพร้อมหน้าพร้อมตากันตู้นี้ จะเปิดเปิดแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้แล้วก็ตู้หนึ่งสำหรับเปิดให้ท่านจุดใจเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เปิดกับคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอันนี้ก็คือตู้ที่สองจากนั้นก็ไม่มีอะไรกระจกแบ่งกันเมื่อวานกับสุกลงหกพอส ม, มควรท่านอาจารย์จยันหลงพ่อจันเสือที่มาจากการจารนงบดีที่เป็นลูกศิษย์ องหลวงตาท่านหนึ่งท่านก็นั่งเอาฮีลิคอปเตอร์มาลงที่วัดป่าบ้านตาดจากนั้นท่านก็ได้นําอธิษฐานประธานขององค์หลวงตาขึ้นไปทางฮีลิคอปเตอร์บินไปนั่นหละก็ตั้งขบวนรับกันอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีโอ้ทําเป็นเรื่องใหญ่หลายมัดนะอย่างหลวงพ่อยือน <c oughs> จังหวัดุรินก็มืนต่างกันแห่ไปก็ตั้งขบวนรับกันที่จังหวัด อจูรีนเหมือนกันคงจะหลายๆวัดอย่างวัดหลวงพ่ออุทัยเหมือนกันตั้งกระบวนรับอธิษฐานขององค์หลวงตาฮมีแต่หลวงพ่อกรมะฐานทั้งดุนอย่างว่านะหลวงตาหลวงตาท่านมาที่วัดของเราท่านก็มาแบบเงียบๆสงบเพราะฉนั้นของหลวงพ่อเลยก็เลยมาแบบเงียบๆสงบเหมือนกันเอามาแบบเงียบสงบเหมือนนเอามาที่วัด ววัดของเราต่อไปก็คงจะทำเจดีขึ้นมาแล้วเพื่อปัรจุพวกเราก็จะได้กราบได้ไว่าในเจดีอังธาตุขององค์หลวงตานะอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้พี่น้องลูกหลานทุกคนแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็พูดว่าอธิธานอังคารธาตุขององค์หลวงตานะ <c oughs> มีน้อยแต่จะแจกให้ศรัทธาญาติโยม คงจะไม่ทั่ถึงผู้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่น่าจะเสียใจเพราะว่าทำคําสอนขององค์หลวงตาเนี่ยในเทพในหนังสือมีทุกอย่างพวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติเข้าสู่จิตใจของพวกเราทันเลิศประเสริฐที่สุดอไม่ใช่ว่าไม่ได้อธิษฐานของท่านก็ เ, เสีอกเสียใจไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เราน่าจะเอารมคำสอนเข้ามาสู่จิตใจเหมือนกับพระพุทธเจ้าปรินิพานอยู่ที่ประเทศอินเดียตั้งสองพันกว่าปีเราก็ไม่ได้กาบไหวท่านอีกต่างหากแต่ทาคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาวิเคราะห์เรามานามาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขทั้งตัวเองทั้งผู้เกี่ยวข้อง ทั้งครอบครัวทั้งประเทศชาติบ้านเมืองผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความพร่อมเย็นเป็นสุขถ้าใครเดินออกนอกลูนอกทางไม่ปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความเดือดร้อนนะเพราะฉนั้นเอาธรรมคาสอนเข้าสู่จิตใจของเราเลิศประเสริฐกว่านี้ก็เหมือนกันเราควรจะเอานํำทำ คำสอนขององค์หลวงตาเข้ามาสู่จิตใจของเราแล้วจากนั้นเราก็ประพฤติปฏิบัติท่านสอนเรื่องให้ทานอย่างไรรักษาศีลอย่างไรภาวนาอย่างไรพิจารณาอะไรถึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะถึงพระิพานโดยเร็วจะทำอย่างไงหลวงตาท่านสอนไว้หมดในหลักธรรมคาสอนในหนังสือของท่านนะ เพนั้นพวกเราเอาทำเข้าสู่จิตใจอย่าไปมุ่งทางด้านวัตถุบางคนกับมุ่งทางด้านวัตถุมากจนเกินไปด้านวัตถุเนี่ยก็สําคัญแต่เฉพาะปู่ย่าตายายที่รับเป็นคนแรกท่อนเองไปถึงลูกถึงหลานแล้วก็บางคนก็ไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่เพราะไม่เคยเห็นท่านแต่ถ้าว่ามีชื่อเสียงโด่งดังอย่างหลวงปู่มั่นเออก็ยังลูกหลานก็ยังให้ความสําคัญ แต่บางตระกูลก็เหมือนกันพรบางตระกูลพ่อแม่ก็เค า, ารพนับถือองค์หลวงปู่มั่นอย่างสุดชิงอย่างสุดจิตสุดใจแต่พอมาถึงหลูกถึงล้านก็ได้รับการศึกษาออกไปไม่ได้สนใจเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องพระพุทธศาสนาเท่าไหร่พ่อแม่ก็ได้มอบพอรุ่นลูกก็ได้มอบให้แก่ครูบาอาจารย์ก็มีหลายมีหลายแห่งเหมือนกัน เพราะเหตุใดเพราะถึงลูกหลานลุ่นหลานขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องวัดวาศาสนาเท่าไหร่อัติธาตุหรือพระธาตุของครูบาอาจารย์ที่รักเคารพในต้นตระกูลก็รู้สึกห่างเหินไปอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือผู้ให้ความสำคัญก็คือคนได้ทีแรกผู้ได้รับทีแรกนะถึงจิตถึงใจจริง แต่พอถึงลูกถึงหลานถึงเหลนไปแล้วก็จืดจางห่างเหินไปนี่แหละหลวงพ่อว่าเออพวกเราต้องคิดนะ อ, อไม่ใช่ว่าออต้องคิดให้ดีนะนี่แหละแล้วแต่หลวงพ่อก็ปลารบเรื่องการต่อไปจะทำอย่างไรมีบางคนก็จะตะวายสร้างเจดีย์ของหลวงตาพอแล้วก็ทิชชันจะขอมาสร้างเจดีย์หลวงตา ฟังแล้วก็เสียงร้องหม่มร้องห h o ร้อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องให้ไอ้เจะถวายหลวงตาเทลายหนึ่งแสนเรื่องเจดีของหลวงตานี่นะพวกเรายังไม่ได้ไประชุมกันการสร้างเจดีเป็นเรื่องใหญ่มากเราจะไปคิดหมัวเบียรับเลยเคงจะไม่ถูกต้องทางว่าเราจะสร้างพระเจดีเราต้องประชุมกันก่อนเมื่อประชุมเป็นหลักการจะให้ใครเป็น กลุ่มไหนเปนคนเขียนแปลนเขียนแปล น, เ ข, น, ปลนเขียนอะไรจากนั้นก็ต้งค่อยเปิดบัญชีเปิดบัญชีรองรับวันนั้นพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าค่อยฟังนะถ้าเปิดบัญชีเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหะจะสร้างเจดีแต่ขณะนี้ยังไม่ยังไม่มีแปลนยังไม่ได้มี ม, มีการประชุมกันเราจะไปรับเฉเลยมันก็ไม่ได้พอรับมาแล้วก็เอหลวงพ่ออินรับมาแล้วไม่รู้จะทํำยังไง ทำไม่ได้สร้างเจดีย์แล้วจะทำยังไงเงินก่อนนี้จะไปยังไงถึงจะอยู่ในบัญชีเ็าเถอะเมื่อไม่ได้สร้างเจดีย์มันก็อาจจะคนอื่นต่อไปรับต่อไปก็ไม่มีปัญญาที่จะสร้างเจดีย์ผลที่สุดมันเลยติดจิตติดใจไม่เป็นผลดีเป็นบาปเป็นกรรมในจิตใจอีกต่างหากเพราะไม่สาเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาพูดทาบุญมาเพราะนั้นหลวงพ่อยังไม่รับนะ จนกว่าที่คณะสงฆ์จะประชุมกันก่อนเมื่อประชุมกันแล้วก็ลงมติกันแล้วจึงค่อยเปิดบัญชีคอยฟังนะวันนั้นถ้าเปิดบัญชีแล้วก็เออนั่นแหละใครจะบริจาคเพื่อสร้างเจดีย์องคหลวงตาแล้วก็ค่อยโอนเข้ามาทีนี้รับเลยที น, น, นี้นั่นแหะคือขั้นตอนต่อไปแต่ขณะนี้ไม่รับใครจะจะถวายเพื่อสร้างพระเจดีย์แล้วไม่รับเพราะเหตุอะไรยังไม่เป็นรูปธปรรม ถ้ารับเข้ามาแล้วนะ ไ, ไงจะทําไงถ้าหลวงพ่อมันด้สร้างเงินพระเจดีย์อยู่งั้นถ้าเผื่อตายไปทําไงเงินพระเจดีย์องค์ต่อองค์อื่นต่อไปจะทําไงเงินพระเจดีย์เนะี่ยถ้าใครเอาไปใช้ก็เป็นบาปเป็นกรรมพระเจตนาของเขาเออกมาเพื่อสร้างพระเจดีย์สิ่งเหล่านี้มันต้องคิดให้ทีท่วนยาวไกลทีเดียวไม่ใช่รับสุ่มสี่ซุ่มห้านะรับจะตุปัจจัยของพี่น้องประชาชนนี่แหละ ส่วนเงินเ ข, าข้าคลังหลวงเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็ไปดูเขาก็ยื่นตัวเลขให้ดูทั้งหมดได้เงิน434ล้านมั้งถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดนะ434ล้านบาทกว่าบาทประมาณนั้นไ่ที่ทาเข้าทำทางพินยกรรมแล้วกระทองคำที่เป็นทองคำที่เขาหยอดตู้ เอามาชั่งดูแล้วก็ได้ทองคำทั้งหมดหนึ่งสกิโลสกิโลก ร, รัมกว่าหนึ่งสิกิโลก ร, รัมกว่าแล้วก็เงิน434ล้สานส่ล้า น, นา ง, งานในงานสบลงตางานพระราชทธธานเพลิงลวงตาแต่ได้เงินทุ ก, ทกบาทก็อยู่ในบัญชีสามบัญชีคือกรุงไทย กสิกรไทยและก็ไทยพาณิชย์สามธนาคารเป็นผู้รักษาเงินก้อนนี้อยู่แต่เมื่อผ่านไปแล้วหลวงพ่อก็คงจะนัดที่ผู้ที่ได้รับพินัยกรรมจากองค์หลวงตาที่สั่งเอาไวเ้เดี๋ยวนี้คือมีพระผู้ใหญ่คือหลวงพ่อตะก่อนก็นมีท่านอาจารย์ฟักเขาน้อยสามผานองค์ที่หนึ่งแต่ท่านมรณาภาพไปแล้วแต่หลวงพ่อ องค์ที่สองท่านปัญญาวุฒโธคือพระฝรัง่งวัดป่าพันตาศเป็นองค์ที่สามท่านกรมรณาภาพไปแล้วแล้วองค์ที่สี่ท่านพระอาจารย์บรรชัยภูสังโฆแล้วก็องค์ที่ห้าองค์องค์งที่4ี่จากนั้นก็ท่านองค์ข้าบัญรีแล้วองค์ที่หนี่คือท่านสุดใจท่านดวงตามอบให้เป็นผู้จัดการเรื่องมรดกา ใ, ใช้ใจ่ายต่างๆเตืองต่างๆนี่แหละก็คงจะอยู่ใน พินัยกรรมในเมื่อเสร็จงานแล้วก็หลวงพ่อก็คงจะเริ่มประชุมคณะกรรมการผู้ที่รับพินัยกรรมจากองค์หลวงตามาพิจารณากันอีกว่าเงินยอดจุดที่เท่าไหร่แน่ทองคาที่ยังเหลือยังไม่ได้มอบเข้าคลังหลวงมีเท่าไรกันแน่เราจะล้อมอยังไงเราจะซื้อทองอย่างไรเราจะมอบเมื่อไรแต่ว่าการมอบนั้นคือ วันที่สิบสองสิบสามวันที่สิบสองเมษาปีห้าสิบสี่ถ้าเป็นไปได้จะให้ทันวันนั้นเพราะวันที่สิบเอ็ดสิบสองหลวงตาเปิดโครงการช่วยชาติรับเงินรับทองรับดอลลาร์รับเงินบาทเพื่อซื้อทองคำเข้าคลังหลวงเมื่อปีสองพันห้าร้สี่สิบมั้งถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดนะ <c oughs> จากนั้นมาก็1 4สิบสี่สิบห้าปีมาถึงวันนี้ผลงานงานของหลวงพ่อเนี่ยก็คือขั้นตอนต่อไปก็คงจะนี่แหละประชุมกับคณะกรรมการแต่ก็ยังดีอกดีใจสบายใจอยู่คือว่าองค์ข้ามูลตรีท่านพระนพลองค์ข้มูลตรีดเรเฉาเป็นประธานจากนั้นก็คุณหมอมรัชวงศ์สิริทองแถมคือคือคอนคนใช้ปป๋ำจากนั้นก็ผู้กากับ ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตารวนแล้วจะเป็นผู้รู้กว้างขวางคงจะงานทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยสำหรับหลวงพ่อเองก็มีแต่เข้าไปฟังแล ะ, ะแสดงความคิดเห็นจากนั้นก็คงจะรวบรวมจติตประจัยแล้วก็ทองคำมันราคาลดลดลงเมื่อไหร่ก็คงจะบล็อกราคาไว้จุดนั้นเลยค่ะ คงจะหลอมเข้าคลังหลวงต่อไปแล้วก็แปลว่าจบตามพินัยกรรมที่หลวงตาท่านได้มอบหมายเอาไว้พอหลวงตาเขียนชัดเจนในหนังสืออ่านดูก็ได้ที่หลวงพ่อแจกไปเงินทุกบาททุกสตังค์ที่เขามาถวายเขามาร่วมทําบุญกับงานศพเรื่องงานที่จะพระราชทาน จรีละขององค์หลวงตานะ่ยจะเป็นทองคำก็ทํ า, าเป็นเงินดอลล่าร์เงินไทยให้เอาเข้าคลังให้ให้รวบรวม เ, เป็นเงินแล้วก็ซื้อทองคําแล้วก็มอบให้คลังหลวงทั้งหมดอันนี้ก็คือคําสั่งของท่านเพราะนั้นพวกเราจะต้องปฏิบัติตามได้เท่าไหร่ก็เข้าคลังหลวงแต่เดี๋ยวนี้คลังหลวงมีเท่าไหร่พวกเราอาจจะอยากจะรู้เหมือนกัน ข้างหลวงเดี๋ยวนี้มีทั้งหมดสิบสองตันกว่าสิบสองตันแต่ถ้าเอาเงินก้อนที่เข้าไปก็คงจะเกยเลินสิบสองตันครึ่งกว่าๆอาจจะเป็นสิบสองตันกับหกร้อกิโลอาจจะถึงนะแต่ก็ยังไม่แน่แต่เดือนห้าร้อย500กิโลถึงแน่เหมั้นกันแต่แต่ก่อนหน้านี้เมื่อท่านร่วงรับไปนะสิบสองตันกับร้อยกว่ากิโลเกือบสองร้อยนะเกือบสองร้อยกิโลเมื่อลงตา มรณาภาพแต่เดี๋ยวนี้ทองคำทั้งหมดประมาณสักสองสิบสองตันก็ห้าร้อยกว่ า, กวาเกือบหกร้อยถ้าเอาเงินก่อนนี้เข้าไปแต่หลวงปู่ลีกับคณะว่าอยากจะได้สักสิบสามตันฮะหลวงพ่อก็เลยเพิ่มขึ้นสิบสามตันทางสากลเขาบอกว่าเลขไม่เป็นมงคล น, นะเลขสิบสามน่าถ้าได้สิบสี่ตันก็ยิ่งดีใหญ่ หลวงพ่อว่านะถ้าได้สิบสี่ตันเนี่ยคงจะเป็นสิริปเป็นมงคลปิดโครงกรปิดโรารเลยสิบสี่ตันโอ้สิบสี่ตันไม่ใช่เงินน้อยนะคณะศรัทธาเยอะยจุมลูกหลานนะบาทหนึ่งสองหมื่นสี่วเดียวนี่ต่ก่อนสมัยหลวงพ่อซื้อมาใหม่บาทหนึ่งก็สี่พันบาทเองนะสี 4, นะ่พันกิโลหนึ่งก็ สาแสนสามแสนเจ็ดสาแสนปดสี่แสนเองสามแสนกว่ากว่าแต่ทุกวันในกิโลหนึ่งนะี่พ่อซื้อเมื่อวันที่สามมอบให้วัดของเราในกิโลหนึ่งหนะ้าวัดของเราหลวงพ่อสั่งซื้อเอาเงินวัดของเรานะี่ยแหละสั่งซื้อกิโลหนึ่งเสียต้อมกิโลหนึ่งคุณสมบัติกิโลหนึ่งแล้วก็พระท่านสุเทพ ที่มาทอดกระถินที่วัดของเราเนี่ยท่านรวบรวมกับศรัทธาญาติโยม น, น่อีกหนึ่งกิโลรวมแล้วกลุ่มคอเลยที่สี่กิโลวันที่สามแต่มีผู้สมทบเข้ามาอีกหนึอ่อสมทบเข้ามาอีกเป็นเงินสดนะคุณปอเท่าไหร่คุณปอสองแสนมาใครอีกอคุณห่วงน้องคายหนึ่งแสนหลวงพ่อก็เลย เอาเงินจํานวนนั้นอีกอถ้ามีแต่ทองคํำเพียวๆกันอ ย, อย่างไรอย่างไรอยู่ควรจะเอาเงินเข้าอีกก็เลยคณะพวกเราก็เลยรวบรวบกันอีกเอาเงินของหลวงพ่อเพราะเขาเขามาช่วยทองหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็เลยให้เป็นปัจจัยอีกได้ทองคําวันนั้นนะ่ะที่กลุ่มของเรานะวัดปานาคำแล้วของเรากลุ่มของราจะทายาทวงของเราได้ทองคำสี่กิโลกับ สี่สิบสี่สิบแปดบาทนะนสี่สิบแปดบาทตามปกตนะิทองคำกิโลมันห้าสิบกว่าเลหกสิบสี่หกสิบสี่กว่ากว่าอันนี้มันสี่สิบกว่าสี่กิโลก็สี่สิบกว่าบาทและก็เงินหกแสนกว่าบาทนะวันนั้นนะเนี่ยขอให้พวกเราคณะจัทตาญาติโยมทุกคู่ทุกคนลูกหลานทุกคนเนะอนุโมทนาเป็นบุญเป็นกุศล นี่นบูชาพระคุณหลวงตาสรุปแล้วก็คือทองคำสี่กิโลกระสี่สิบกว่าบาทเงินสดหกแสนกว่าบาทวันนั้นวันที่วันที่สามวันที่สมมีนาวันที่ห้ามีนาก็เป็นวันพระราชทานสรีระขององค์หลวงตาพระราชทานเพลงศพขององค์หลวงต า, าวันนี้หลวงพ่อได้พูดให้ลูกหลานบางคนก็อยากจะรู้บางคนก็อาจจะ ไม่อยากจะรู้นะแต่หลวงพ่อก็เลยพูดให้รูเ้เพื่อเป็นการศึกษาว่าหลวงพ่อทำยังไงปฏิบัติยังไงในงานพระราชทานเพลิงองค์หลวงตาเพราเป็นครั้งยิ่งใหญ่มากคนเป็นเรือนร้านเป็นเรือนร้านาไม่มีงานไหนที่จะยิ่งใหญ่กว่างานองค์หลวงตาเพราะนั้นพวกลูกหลานที่ไม่ได้ไปหรือว่าผู้อยู่ห่าง คนจะได้รับรูรรับสาบเอาต่อไปรับพรนะ่นอนุนโมทนาให้พร